วางโรคโป่งบบาสบายเนี่ยหลายคนชอบจับใจทิพย์วันโป่งโลกเบาสบายว่างๆไปชอบไปจับไว้ไงมันไม่ปล่อยมันจับไว้แน่นมันจะปฏิบัติเราบอกว่าจะปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางแล้วก็ปฏิบัติเหมือนนี้เนี่ยมือข้างหนึ่งเนี่ยเรายึดไว้แน่นเลยเอายึดไว้พอเราชอบยึดไว้ก่อนนะอกอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยเราบอกปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับมือข้างหนึ่งเราปล่อยวางอย่างอื่นเรารู้เราเห็นอะไรปล่อยวางแต่เราไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดเี่ย เรามือข้างหนึ่งจับแน่นเลยใจที่มันสบายใจที่มันโปร่งมันร่มมันสบายจับยึดไว้แน่นยังอื่นเราปล่อยหมดแต่อย่างแย่เราเอาไว้นั่นเหมือนกับว่าของอะไรที่เราหวงเราไม่ให้ไม่ให้ใครเนี้ยยังอื่นยอมสละได้แต่ของเนี้ยหวงมากเราปฏิบัติแบบเนี้ยไม่รู้ถูกผิดเนี้ยเ่ยเราเห็นเนี้ยือก็ก็เลยสงสัยนั่งสงสัยอยู่ตลอดจะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันไม่ปล่อยไงแล้วหนูไม่ปล่อยยังไงถึงจะฟังยังไงมันก็ไม่ไปยังไงเพราะว่าถึงจ้า บอกไงพูดอย่างไงมันก็ไอของผวงของอะไรก็จับไว้อ่ะไรที่บอกไว้ปล่อยอ่ะเรื่องอื่นปล่อยได้เพราะปล่อยได้ปล่อยได้อาการไม่สบายใจปล่อยได้ความคิดเรารมองปล่อยได้เรื่องปล่อยได้เรื่องอื่นภายนอกไม่สนใจได้ครอบครัวเรื่องเรื่องโู้นเรื่องนี้ปล่อยได้แต่จับใจที่สบายไว้แต่ความจริงสิ่งนั้นซ่อนอยู่ความทุกข์ความไม่สบายใจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจับไว้เพราะเราจับไว้มันก็ดูเข้ามาหมดเ่ยพราะเราไม่ได้ปล่อยหมดเนี่ย เราบอกว่าเราจับสบายไว้แต่ทุกอย่างครอบครัวเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยดูดเข้ามาหมดเลยนั่นเนี่ยในความในความสบายมีความทุกข์ซ่อนเลนนี่เห็นชัดเลยอะมันดูดเข้ามาเพราะว่าเราทำเป็นเครื่องดูดฝุ่นไว้ไอ้จับสบายไว้เนี่ยจับไปเป็นเครื่องดูดฝุ่นไว้มันก็เลยดูดหมดเลยทั้งสบายแล้วไม่สบายทั้งความทุกข์ความเหมือนหมองความอะไรมันดูไปเน้เนี้ยเนี่ยแต่เราเนี่ยเหมือนเครื่องดูดฝุ่นดูเข้ามาหมดแต่เราพยายามรู้มันแต่ตรงส่วนที่สบายไอ้ที่ดูดเข้ามาอย่างอื่นทั้งหมดไม่เอา ไม่เอาคือแต่มันมารวมกันไงใช่ไหมแล้วมีทุกจริงๆไงเราเห็นแล้วเนี่ยอืมแล้วแก้งไงือจะแก้อย่างไางเนี้ยตัวเองนําเองนะเนี่ยแล้วบอกให้ปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดเอปล่อยวางตัวตนไม่มีมันไปถึงขั้นตัวตนไม่มีแต่นี้เราอ่ะเอาตัวเราไปจับยึดอันนี้มันสอนมาถึงขั้นตัวตนไม่มี ตัวตนมันไม่มีมันมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นกับใจที่ไม่สังขารมันมีแค่สองอย่างทุกอย่างเป็นสังขารหมดตัวตนไม่มีมีแต่ใจที่ไม่สังขารเรามาจากจิตหรือวิทยาแท้หรือใจตั้งเดิมแท้ที่มันไม่เป็นสังขารอะไรเลยมันเป็นวิสังขารเอาใหม่ปล่อยวางให้หมดแล้วก็เข้าไปถึงใจที่ไม่ไม่สังขารกลับมาลุ้ที่ตัวเราย้อนกลับมาลุ้ที่ตัวเราแต่เนี่ยเราตัวเราไปรู้เนี่ยเราตัวเราไปรู้เนี่ยไปรู้มันก็เลยเลือกรู้ได้เลือกเอาได้แต่นี้ เราไอ้ที่เลือกได้แสดงว่ามันเอาตัวเราไปไปรู้เราเอาตัวเราไปเลือกมันต้องมาย้อนกลับมารู้ตัวเราไอ้พุทิที่มารู้ตัวเรามันเลือกไม่ได้ไอ้พุทธที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันถ้าเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันเลือกได้มันจะดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขได้อันนี้มันแสดงว่ามันเอาตัวเราไปรู้มันเอาตัวหลงเอาตัวขันหน้าไปปรุงแต่งไปรู้แต่ถ้ามารู้ตัวเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันเหมือนกับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีร่างกายที่เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็มีจิตที่เป็นสังขาร แล้วก็มีวิญญาณดั้งเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็รู้ร่างกายจิตใจเราอีกหนึ่งมันมี3อย่างในร่างกายเราคือร่างกายที่ปรุงแต่งกับจิตที่ปรุงแต่งกับใจที่ไม่ปรุงแต่งมี3อย่างไอ้ใจที่ไ่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นผู้รู้ผู้รู้อะไรก็รู้กายที่ปรุงแต่งกับจิตที่ปรุงแต่งแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปไปรู้ปุ๊บไอ้ผู้รู้ที่เราตัวเราไปรู้เนี่ยมันปรุงแต่งได้คือดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขได้ อันนี้จะเอาอันนี้ไม่เอาได้แต่ถ้ามันเป็นไอ้ผู้รู้ที่เป็นวิญญาณตั้งเดิมแท้หรือจิตตั้งเดิมแท้ที่มันปรากฏเนี่ยที่มผสมกับสปเปิร์มของพ่อไข่ของแม่เนี่ยที่เป็นธาตุรู้เนี่ยอันนี้มันปรุงแต่งไม่ได้เลือกไม่ได้มันมีอาการไม่ได้เลยดวงตาเลยเปรียบมันเหมือนกับว่ามันเป็นในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยที่แอบรู้กายรู้จิตเราตลอดเวลาว่าและแอบคิดแอบตึกแอบตึกแอบต้ อ, บตองแอบพูดแอบสบายใจไม่สบายใจแล้วพูดไปยังไงบ่นยังไงคิดยังไง ไม่ว่าละเอียดปานใดมันรู้ตลอดเวลาเลยไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยแต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโลกนี้คือมันรู้แต่กายเคลื่อนไหวจับแต่พวกสิ่งที่ร่างกายเคลื่อนไหวแต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดคือผู้รู้ที่มันอยู่ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยที่มันมี3าอย่างเนี่ยกายเป็นสิ่งปรุงแตง่งจิตเป็นสิ่งปรุงแตง่งแล้วไอ้ผู้รู้ที่เป็นจิตตั้งเดิมแท้แท้เนี่ยไม่ปรุงแตง่งแต่เป็นแต่ธาตุรู้อันนี้มันมีอาการไม่ได้มันเลยเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วก็รู้กายแล้วจิตเราตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคืืออซ่ รู้ซื่อซืรู้ซื่อซื่อตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาเทศใดแล้วมันรู้ซื่อซื่อก็มันเนี่ยทาหน้าที่แบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยเหมือนกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันรู้ว่าโจรเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันจะเอาปืนไปยิงโจรมันก็ยิงไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าเนี่ยมีโจรเข้ามามีคนร้ายเข้ามามันไปช่วยเจ้าของบ้านเอาปืนไปยิงช่วยอะไรก็มันก็ทําไม่ได้นั้นไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อมันรู้อย่างเดียวเนี่ยรู้ความเพื่อนไหวของใครที่ผ่่่่าาาาาานนนนไไปปผผผมม อมีโจนเข้าบ้านมันก็มันก็รู้แต่แตรู้เฉยอะแต่มันเอาปืนไปยิงโจนไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยไอ้ตาลรู้เนี่ยธรรมชาติมั น, ร น, ร น, นสร้างมาได้แต่รู้เหมือนกล้องโทรทัศน์ว ง, งจรปิดเนี่ยมันมีอารมณ์ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ผองใสยไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้มีอาการ ใ, ใดๆไม่ได้ได้แต่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปรู้คนอื่นหรอกรู้ตัวเรานี่แน่รู้ตัวเรานีา่แ น, น่เพราะว่ามันมันอยู่ในตัวเรานี่แน่ คือรู้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยว่าเรายืนเราเดินเรานอนเรานั่งเราพูดเราคุยเราคิดเรานึกเราตึกเราตองเราแอบคิดอะไรแอบใครแอบคิดดีคิดชั่วมันรู้หมดนะมันช่วยอะไรเราไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไอ้ที่ช่วยเราได้รู้แล้วไอ้ที่ช่วยเราได้คือมันเอาขันหน้ามาช่วยเอาขันหน้ามาช่วยตัวเราได้ไอ้ขันห้าเนี่ยมันตึกจะช่วยตัวเราได้ไอ้ตัวปรุงแต่งมันช่วยตัวเราได้เช่นว่ามันรู้ว่าเราหิวอย่างเงี้ยสมมติร่างกายเราหิวเนี่ยไอ้รู้เนี่ยก็ได้รู้ว่าเราหิวแล้อิ่มมันก็ได้รู้เราอิ่ม แต่มันช่วยให้ตัวเราอิ่มไม่ได้เวลาเราหิวอะไอ้ขันหน้าต้องลุกไปตักข้าวมากินขันหน้ามีหน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยขันหน้าต้องพาตัวไปหาหมอแต่อารู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ไอ้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยสบายใจไม่สบายใจมันได้แต่รู้แต่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอะไอ้ขันหน้าต้องช่วยปรุงแต่งมันก็ทํางานคู่กันเนี่ยเราก็เห็นว่าเออขันหน้เป็นตัวแค่มาช่วยเฉยๆนะแต่อย่าไปยึดขันหน้า ไม่สบายก็ช่วยไปขันห้าพาตัวไปหาหมอเออกินหิวข้าวไปขันหน้าก็ช่วยพาไปไปตักข้าวเออขันห้าเนี่ยมันเป็นการช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้แต่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้รู้ตัวเรารู้ร่างกายจิตใจรู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองไรจิตใจข้างในไหวไหวไงแต่รู้เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยสบายใจมันก็มันก็ได้แต่รู้ไม่สบายใจมันก็ช่วยสบายใจไม่ได้มันก็ได้แต่รู้เนี่ย แต่ความสบายใจไม่สบายใจไม่ใช่รู้รู้นั่นแหละมันคือเราแท้ๆหรือวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆที่มาเกิดรู้นั่นแ่ะคือมันไม่มีความสบายใจไม่สบายใจนั้นมันก็เลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเข้าใจไหมเนี่ยเออถ้าเราเข้าใจแบบเนี้พยายามเช่ดทำเขาเข้าใจตรงนี้หน่อยแล้วมันก็จะทิ้งไปหมดเลยไอ้ตัวที่ดูดไวไ้ไอ้มือไอ้มือข้างหนึ่งดูดไว้ไอ้มือข้างหนึ่งเนี่ยคอยรู้ท่าทานและปฏิเสธไว้ ไอ้ น, นั่นเน่ยเราก็เราก็ปฏิเสธเราก็ไม่เอาอีกแล้วและไอ้ที่ดูดไว้ก็ออกด้วยเราก็เรื่องครอบครัวเรื่องวุว่นวายเรื่องปัญหาภายในโลกมันก็จะไม่ถูกดูดเข้ามาเพมปล่อยหมดนะคับก็เลยปล่อยมอยหมดเลยเลือแต่รู้รู้ที่ใจเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าแต่ทุกอย่างก็ยังทําหน้าที่มันไปเพราะว่าขัน่ายังไม่แตกดับรอจนกว่าสิ้นอายุไขขัน่ากระดับเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าเป็นอมตะเนี่ยคาสอนก็มาอยู่อย่างนี้แน่ที่พระเจ้าตรัสจิตเนี่ยจิตหรือจิตนั่นเดินไปแท้เนี่ย มันเป็นอาสลีลังจิตเนี่ยเป็นอาสลีลังหรือจิตดังเดินไปแทะอาสลีลังไม่มีรูปพันธฐานานใดใไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่มียาวไม่มีหนาไม่มีกว้างไม่มีอะไรต่างไม่มีดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องสายไม่มีเศร้าหมองไม่มีอะไรอยู่ในรู้นั้นได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยแต่รู้แค่นั้นแน่ก็เหลือแต่รู้พอเหลือแต่รู้ก็คือใจนั่นแน่ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นเนี่ยถึงปณิพนิพานใจที่ได้แต่รู้ได้แต่รู้นั่นแน่